บทว่าตัดสะเมตุมเหตปุตตาความว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเป็นบุตรคือจงเป็นผู้เกิดจากตนของเราตถาคตนั้นคือผู้เห็นปานี้นะครับพระองค์นี้อยากให้ทั้งหลายเราทั้งหลายนี่นะครับเป็นบุตรของพระองค์บทว่าโอรสาได้แก่ผู้ผูกพันอยู่ในอกนะได้เกิดจากอกของพระองค์นะเหมือนอย่างว่าโอรสคือบุตรผู้เกิดจากตนของสาตว์ทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งทรัพย์สมบัติที่เป็นของบิดาเป็นพิเศษฉันใดนะครับถ้าทรัพย์ของพ่อนะแม้พระอริยะบุคคลเหล่านั้นก็ฉันนั้นเกิดแล้วในอริยชาติในที่สุดแห่งการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเชื่อว่าเป็นโอรสเพราะเป็นผู้มีส่วนแห่งวิมุตติสุขและรัตนะ คืออริยธรรมซึ่งเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอย่างแน่นอนนะครับก็คือถ้าหากว่าเป็นโอรสคือฟังธรรมจากพระองค์และบรรลุธรรมก็มีส่วนแห่งมรดกของพระองค์นะครับคือมรรคผลนิพพานเนี่ยนะอีกประการหนึ่งพระอริยาสาวกทั้งหลายที่กําลังก้าวลงและก้าวลงแล้วสู่อริยภูมิด้วยอนุภาพแห่งธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เชื่อว่าย่อมควรเป็นผู้ที่ใครๆจะพึงกล่าวว่าเป็นบุตรผู้เกิดแต่อกโดยตรงเพราะท่านมีอภิชาติการเกิดอันความพยายามให้เกิดแล้วที่พระอุระของพระาศาสดานะครับคือพระองค์นี้ทรงสแสดงธรรมใช่ไหมครับทรงสแสดงธรรมและก็พระอริยาสาวกทั้งหลายบรรลุธรรม ค, คือบรรลุมรรคผลตั้งแต่โ ส, สดาปติมมรคเป็นต้นผู้ที่เคยบรรลุแล้วหรือว่าจากบ ร, รกำลังบรรลุอยู่เนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่เกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงนะครับเรียกว่าเกิดจากอกนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจริงอย่างนั้นพระรยาบุคคลเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําไว้ในหาไทยในชั้นแรกนะ ก่อนที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมมาให้ใครเนี่ยนะพระองค์ทาไว้ในใจของพระองค์ก่อนในใจก็คือไว้ในอกก่อนใช่ไหมครับทำไว้ในอกของพระองค์ก่อนด้วยการตรวจดูอาสยะของผู้ที่จะฟังธรรมอันนี้พระองค์ทาไว้ในอกก่อนใช่ไครับตรวจดูอาสยะก่อนนะเออนี้นะอาสยะเป็นอาสยะดีหรืออาสยะชั่วเอออาสยะดีนี้เป็นกรรมสกตายานเป็นวิปาาัสนาญาณนะครับเป็นสมมาทิฏฐิประเภทระดับนั้นระดับนั้นเออพวกอาสยะชั่วไว้ก่อนนะครับ เออหนี้นะพวกมีอนุอนุใสคือราคานุสัยทิฐานุสัยอวิชานุสัยเป็นต้นเนี่ยนะอนุสัยเป็นอย่างนี้นะมีจริตเป็นอย่างนี้นะมากด้วยปุญญาพิสังขารเป็นต้นหรือว่าเออนี่มีอธิมุดดีอาทิมุดเลวนะครับพระองค์ก็ตรวจสอบนะครับพระองค์ทําไว้ในใจตรวจสอบอัธยาศัยของหมดของของศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดด้วยอินเดียปรปริยาติยานและอาศยานุเสยายาน และด้วยการทรงคิดถึงสิ่งที่เป็นโทษเนืองๆ เ, เออนี่พวกนี้โทษแบบนี้นะทรงกันออกจากสิ่งที่เป็นโทษแล้วนะให้ประดิสถานอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นโทษทรงเลี้ยงดูให้เติบโตโดยการเลี้ยงดูร่างกายด้วยธรรมะมีศีลเป็นต้นนะครับในชั้นต้นเนี่ยพระองค์กันออกจากสิ่งที่มีโทษก่อนนะครับด้วยการทรงแสดงธรรมเนี่ยนะเรียกว่าแสดงศีลสิกขาบัญญัติพระวินัยก็คือการทุกข การโทษทั้งหลายของพระพิสูจ์ทั้งหลายเนี่ยออกไปให้หมดนะครับการโทษเหล่านั้นก่อนถ้าเป็นคาราวาสทั้งหลายพระองค์ก็แสดงเรื่องอากุศลกรร ม, มบทเพื่อให้เห็นวันนี้โทษนะแล้วปัดโทษเหล่านั้นออกไปนะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้ประฏิสถานอยู่ในศีลอยู่ในศีลหรือว่าใน สมาธิในปัญญาในวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพระองค์ก็เลี้ยงดูกุศลธรรมเหล่านี้ให้เจริญเติบโตขึ้นนะครับเลี้ยงดูด้วยโพธิปัจฉิยธรรมสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นผู้ที่บ้าบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเกิดจากอกของพระองค์จริงๆนะครับเกิดจากอกเพราะว่าพระองค์ตรวจสอบอัธยาศัยหมดแล้วนะครับบทว่ามุขโตชาตาความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าเกิดจากพระโอษฐ เพราะเกิดในอริยชาติด้วยพระธรรมเทศนาที่เกิดจากพระโอษนะครับจะว่าเกิดจากปากของพระองค์ก็ได้เพราะว่าพระองค์แสดงธรรมแล้วเขาได้บรรลุนะอันหนึ่งพระอริยบุคคลทั้งหลายเกิดแล้วโดยอริยมรรคชาติอันจากปากทางแห่งกุศลธรรมทั้งหมดคือปาติโมกข์ที่ไม่ทั่วไปกับธรรมะอื่นหรือจากวิโมกขมุกกล่าวคือวิปัสนาอันเป็นเหตุให้ออกไป คือพุทธานะคามินีวิปัสสนานะครับเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเกิดจากพระโอษในชั้นแรกเนี่ยนะครับเกิดจากพระโอษก็คืออริยมรรคยานนี่แหละครับเรียกว่าตอนที่เกิดจริงๆคือเกิดตอนอริยมรรคยานแต่ชั้นต้นนั้นจะต้องอประพฤติปฏิบัติตามทางแห่งกุศลธรรมคือปาติโมกซึ่งมีในาศาสนานี้เท่านั้นเมื่อตั้งมั่นอยู่ในปาติโมกก็ปฏิบัติตามวิโมกขมุกวิโมกขมุกก็คือนะครับอนิมิตตาวิโมก อปะนี้เหตาวิโมกสุญญตาวิโมกนะครับวิโมกเหล่านั้นก็ทําให้บรรลุอริยมรรคอริยมรรคก็ทําให้แจ้งพระนิพพานพอแจ้งพระนิพพานอย่างนี้เรียกว่าเกิดจากพระโอษของพระองค์จริงๆพระอริยะบุคคลทั้งหลายเชื่อว่าเกิดในธรรมะเพราะเกิดในาศาสนธรรมหรือในธรรมะคืออริยมรรคซึ่งประมวลไตรสิกขาเอาไว้นะครับอริยมรรคนี้ประมวลไตรสิกขาเพราะว่า ไตรสิกขาจะไปบริบูรณ์จริงๆก็คือในขณะอริยมรรคนะครับเพราะว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นปัญญาสิกขานะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีว่าเรียกว่าศีลสิกขาสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาที่เรียกว่าจิตตสิกขาเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี่ประมวลสิกขาได้อย่างบริบูรณ์นะครับเนี่ยนะพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าอันธรรมเนรมิตรเพราะหมายความว่า อันธรรมะนั้นนั่นเองเนรมิตรคือสร้างแล้วพระอริยบุคคลทั้งหลายเป็นทายาททางธรรมะมีสติและธรรมวิจยะเป็นต้นนะครับเป็นธรรมทายาทจริงๆคือรับโพชฌงจากพระองค์นะครับรับสติสัมโพชฌงจากพระสัมมองค์รับธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัตถิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ เพระโพชฌงท่านเจ็นี้เรียกว่ารัตนะรัตนะอันนี้เป็นมรดกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทายาททางอมิตรคือไม่ใช่มาเป็นคนรับลาบสการะชื่อเสียงสารเสริญเป็นต้นนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่มารับธรรมทายาทคือมารับสติประธานสีสมมติประธานสีอิทิบาสีอินรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดรับวิชารับวิมุตต์รับ วิชาสามรับปฏิสามพิทาสี่รับอภิญญาหกรับวิโมกแปดเนี่ยนะครับรับอนุปภาพวิหารธรรมสมาบัติ9เป็นต้นนะครับก็มารับไม่ใช่มารับเออนี่นะมารับกุติรับเสนาสนารับวัดรับวารับจีวรรับอาหารรับข่าวต้มยาคูอย่างไงก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่มารับแบบนี้บทว่าธรรมะในบทว่าธรรมะทายาทาโนอมิสทายาทายีวะ นั้ น, นมีสองอย่างนะครับไอค้คำว่าธรรมะนี่มี2 อ, อย่างนะคือธรรมะโดยตรงกับธรรมะโดยอ้อมนะครับคือนิปริยาธรรมแปลว่าธรรมะโดยตรงปริยาธรรมคือธรรมะโดยอ้อมนี่เรียกว่าธรรมะมี2นะครับโดยตรงกับโดยอ้อมส่วนอมิตนะครับอมิตทายาตเนี่ยนะก็มี2 อ, อย่างคื อ, คอโดยตรงกับโดยอ้อมโดยตรงเรียกว่านิปริยาอมิตรโดยอ้อมเรียกว่าปริยายอมิตนะครับอมิตรโดยอ้อม ถามว่ามีอธิบายอย่างไรอธิบายว่าโลกุตระธรรมเก้าแยกประเภทเป็นมรสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยจัดเป็นนิปริยายธรรมโดยแท้นะครับจัดเป็นธรรมะโดยปริยายคือโดยเหตุหรือโดยเลสอะไรอะไรไม่นะครับนี่ตรงๆจรงิงๆเลยนะครับที่เรียกว่าธรรมทาญาตหรือว่าธรรมะ โดยตรงเลยก็คือโลกุตระธรรม9นะครับโสดาปฏิมาโสดาปฏิพนสกาธาคามิมกักสกาธาคามิพนอนาคามิมกักอนาคามิผลเรียกว่าธรรมะแบบตรงๆนะครับส่วนกุศลที่เข้าไปอาศัยวิวัตตนี้ใดหรือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อปรารถนาวิวัตะจึงให้ทานสมาทานศีลกระทําอุโบสถกรรมทําการบูชาพระศาสดาด้วยของหอมพวงมาลาัยเป็นต้น ฟังธรรมหรือแสดงธรรมรำฌานสมาบัติให้บังเกิดเมื่อเขาทำอยู่อย่างนี้ย่อมได้นิ ป, ปริยญธรรมคืออมะตะมหานิพานโดยลำดับกุศลธรรมเหล่านี้ชื่อว่าปริยยธรรมนะครับเป็นธรรมะโดยอ้อมถ้าธรรมะโดยตรงก็โลกุตระใช่ไหมครับแต่ว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่ให้ทานสมาทานศีลเป็นต้นด้วยตั้งเป้าหมายเพื่อบรลุมรรผลนิพพานบรรลุโลกุตระธรรมเก้านะครับ แล้วประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดตามลําดับเป็นต้นมานี่เรียกว่าธรรมะโดยอ้อมโดยอ้อมเพราะว่าธรรมะโดยตรงนั้นได้แก่โลกุตระธรธรม9ทีนี้มาพูดถึงอ ม, มิดบ้างอ ม, มิดก็มี2 อ, อย่างใช่ไหมครับโดยตรงกับโดยอ้อมถามว่าอ ม, มิตรโดยตรงนี่คืออะไรคือปัจจัยสีมีจีวอนเป็นต้นนะครับเช่นสีจีวรที่เราใช้อยู่เนี่ยนะจีวอนทั้งหลายที่นุ่งห่มกันอยู่นี่เรียกว่าอ ม, มิดโดยตรงนะครับ อาหารที่ครบชั้นอยู่ทุกวันก็เป็นอ ม, มิตรโดยตรงจากพกระผู้มีพระภาคที่อยู่อาศัยกุติทั้งหลายแหละก็เป็นอ ม, มิตรโดยตรงอยู่ยาทั้งหลายก็เป็นอ ม, มิตรโดยตรงนะครับส่วนอ ม, มิตรโดยอ้อมอะอ ม, มิตรโดยอ้อมก็หมายถึงกุศลที่เป็นเหตุให้ถึงวัตตะอย่างนี้คือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อปรารถนาวัตตะคือต้องการพบ ที่พร้อมด้วยสมบัตินะครับอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นกรรษัตริย์มหาสารพระมหาสาลเครืคบดีมหาสารอยากเป็นเทวดาชั้นจาตุ้มชั้นยามาชั้นดาวดึงเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้ทานเอออยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้อยากเป็นคนร่ำคนรวยคนมั่ ง, ค น, งคนมีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยให้ทานทําสมบัติเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเมื่อเขาทําอยู่อย่างนี้นะครับสมบัติของเทวดาและมนุษย์โดยลําดับอย่างนี้เรียกว่ารับอามิดโดยอ้อมโดยอ้อม ก็เรียว่ามาค้าสแสวงหาอมิตรจากศาสนาของพระ อ, องค์นะครับสแสวงหาพบทั้งหลายนั่นเองสแสวงหาวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองบรรดาธรรมสออย่างนั้นแม้นิปริยธรรมก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีเดียวนะครับคือมรซีผลสีนิพานหนึ่งเนี่ยเป็นของพระ อ, องค์นะครับผู้ที่บรรลุโดยที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าคื อ, ค, อคือพระประเจ ก, กับพุทธเจ้า แต่ก็ได้อุปนิสัยจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเอาแบบตรงๆเลยเนี่ยนะครับผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหมดนะครับหลังจากพระผู้มีพระภาคตรัสรู้มาแล้วเนี่ยนะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยได้ธรรมะจากพระองค์ทั้งหมดนะครับถึงจะไปภาคเพียรประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองก็ตามแต่ก็ได้รับแนวทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อธิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกที่สู่ทั้งหลายจึงได้บรรลุมรรคผลและนิพพานถ้าพระองค์ไม่แสดงเนี่ยนะครับใครจะได้บรรลุนะครับสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าดูก่อนพราม ก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นศูนย์รวมนะครับเป็นเหตุให้บรรลุอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะครับพระองค์นี้เป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นนะครับเคยได้ยินไมมว่าก่อนหน้านี้มีพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกพระพิธรรมปิฎกคาสอนที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุแห่งมิมุติเนี่ย ก่อนหน้าที่พระองค์จะตรัสรู้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์ทําให้มีขึ้นนะครับเพราะนั้งทรงยังมักที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดพร้อมนะคะเนี่ยนะแม้แต่มักในพระอริยบุคคลทั้งหลายมักในเทวดาทั้งหลายที่ทบังเกิดขึ้นน ะ, ะมักเหล่านั้นเนี่ยพระองค์นะัเป็นผู้ทําให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ทรงสร้างมรรคคือสร้างศีลสมาธิปัญญาบอกแนวทางแห่งการปฏิบัติทั้งหมดนะครับ เนื่องจากว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดซึ่งอาศัยแนวทางคําสอนของพระองค์เนี่ยนะครับจึงเรียกว่าเป็นาศาสนาของพระองค์นะครับแต่ว่าทุกขรรกสัตรย์กสูรทสยศัสต ร, ร์ไม่ต้องครับมันมีอยู่แล้ว น, นะชาติปิทุกขาใครกันดานมั่งชร า, าปิทุกขามรณ้ำปีตุขขังโสกะปริเทวะทุกคนมีอยู่แล้วครับตันหาใครไม่มีมั่งมันมีอยู่แล้วอ่ะนะนี่รอดก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ ข้อปฏิบัติที่จะมากําหนดรู้ทุกละตัณหาธทมนิโรธให้แจ้งอ่ะนะข้อปฏิบัติอันนี้เนี่ยต้องอาศัยคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนเนี่ยนะครับพอศึกษาในส่วนตรงนี้ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างท่องแท้ก็ทำให้ไม่เห็นคุณบอกอู้ธร ร, รมะมีอยู่แล้วเหมือนันเนอะพระพุทธเจ้ามาทำให้มาตรัสรู้เท่านั้นเองหมือนนไปไปมามาก็เลยขาดความเคารพยกย่องใน องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ธรรมะทั้งหลายมีอยู่แล้วเช่นทุกขสั์แก่เราก็แก่อยู่แล้วเจ็บก็เจ็บอยู่แล้วตายก็าตายอยู่แล้วพัดพรากจากของรักเป็นต้นทั้งหลายก็มีอยู่แล้วนะครับตันหาก็มีอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วเพื่อเหตุแห่งเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่แล้วพระนิพพานก็เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มีอยู่แล้วแต่ว่าข้อปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะศีล ใครจะมาสอนได้ครับเออนี้ปราชิกศีนั้นี่สังฆาธิเศตนี้อนิยตนี้ปาจิตินี้นิสกีนี้ปาติเทสนิยานี้ทุละใจนี้ทุกกฎนี้ทุกพาสิทธ์เนี่ยนะครับนี่ข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะศีลทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาศีนสมาธิปัญญาสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันก็สามารถทําให้แจ้งอริยมรรคกาหนดรู้ทุกละสมุทัยทำมิโรอให้แจ้งถามว่าคําสอนส่วนนี้ของใคร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่บําเพ็ญบารมีมาก็ไม่สามารถที่จะสอนหลักธรรมเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสาวกทั้งหลายในบัดนี้ที่มาในภายหลังเป็นผู้ดําเนินไปตามมักอยู่นะครับก็ดําเนินตามของพระองค์นะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดดําเนินตามอยู่แล้วกล่าวช่วงจาบนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่บรรลุเองน้อมคําสอนเหล่านั้นมาเป็นของตัว ทั้งหมดโปร่งตรัสว่าเป็นมหาโจรนะครับดูได้ในจตุถบาราชิกนะครับปาราชิกที่บัญญัติว่าด้วยการอวดอุตริมนุสธรรมที่พระองค์ตรัสถึงมหาโจรห้าประเภทนะครับที่มีอยู่ในโลกนะครัพระพวกที่อวดอุตริมนุษสธรรมที่ไม่มีอยู่จริงนี่ก็หนักน่าสาหัสนะครับปล้นทั้งโลกและเทวโลกเรียกว่ายอดมหาโจรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําคําสอนเหล่านี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ผู้ใดน้อมเข้ามาในตัวแล้วกล่าวว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นของตัวเพราะฉะนั้นก็วาจาเหล่านั้นก็มีโทษนะครับถ้าหากว่าไม่ขอขมาไม่ไม่ทําคืนนะครับบาปเหล่านั้นไม่ไร้ผลอย่างแน่นอนนะครับกรุณาตัวเองไว้เถ้าว่าอาจจะเห็นแค่ปัจจัยสี่แค่สตังไม่กี่บาทนะครับแล้วก็กล่าวถกกรรมทําชั่วด้วยกายด้วยวาจานะครับสแสวงหาจีวรมห่มกายที่เปลือยเน่าอาหารมาหล่อเลี้ยงกายที่ เป็นเหมือนแผลเหมือนฝีเหมือนหอ น, นองอยู่ในนะครับก็มีความสุขอยู่ไม่กี่วันรอกแต่ความสุขอันนี้ไม่เพียงพอที่จะละราคะโทสะโมหะได้รอกชื่อเสียงสารเสริญเวลาอวดอ้างสรรพคุณทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะนะชื่อเสียงลาบสาการะเหล่านั้นก็ไม่พอที่จะละกิเลสตัณหาอะไรได้รอกมันน้อยเกินไปว่า ง, งั้นน้อยเกินไปที่จะทําให้จะหลุดพ้นจากวัฏทุกขสนวนวํานโนอลดเปลืองตัวมากเลยนะครับนะสํานวนที่เรียกว่า อ็ไปนะเหมือนกับผู้หญิงที่โหเอาผ้าออกเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขารักเขาชมตัวเองเนี่ยนะถึงกับยอมเปลื้องผ้าออกเนี่นะครับอันนี้ก็เสียหายมหาศาลนะครับผู้ที่ไม่มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่นะครับเที่ยวชูโอ้อวดทั้งหลายโดยที่ไม่มีจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลอกลวงอย่างมหาศาลทําบาปกรรมให้กับตัวเองอย่างหนักหนาสาหัสนะครับก็เจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆอย่าไปได้ทําบาปทํากรรมทําเวรแบบนั้นเลยนะครับ บาปเหล่านั้นไม่หายไปจากไม่หายไปจากตัวอย่างแน่นอนเพราะว่ากรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่ยังอริยมรรคทั้งหลายเป็นต้นให้เกิดขึ้นนะนะความที่พระองค์นี้นะครับเป็นเจ้าของแห่งธรรมเนี่ยนะครับมีอีกที่หนึ่งว่าดูก่อนผู้มีอายุ ก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อรู้ก็ทรงบอกว่ารู้นะคืออย่างที่พระมหากัจยานะนี่นะครับท่านกล่าวกับพิสูจน์ทั้งหลายดูนะในมหากัจยนะพระเทกรสูตรหรืออนันท h พระเทกรัสสูตรนะครับหรือในสูตรอื่นๆที่เขาเอาปัญหาไปเรียนถามพระอระหันต์ทั้งหลายไปเรียนถามพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็จะบอกว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อรู้ก็ทรงบอกว่ารู้เมื่อเห็นก็ทรงบอกว่าเห็นนะครับชาณาตาปัสตาหตาสัมมาสัมพุทเทนะเนี่ยนะครับทรงมีพระจักสุทรงมีพยานทรงมีธรรมทรงเป็นพรหมทรงบอกทรงขยายทําให้ผู้ฟังน้อมไปสู่อัทรงประทานอมตะทรงเป็นเจ้าของธรรมทรงเป็นพระตถาคตนะครับเพราะนธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระองค์นะครับหรือบางทีถ้าใครไปถามคนอื่นก็บอกโอ้ท่านละเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ซึ่งเป็นเหมือนแก่นมาทำาระไรนะครับางนั้นนะหรือแม้กระทั่งท่านอธิบายแล้วก็ให้กลับไปสอบสวนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะนะครับท่านไม่ได้น้อมเข้ามาเป็นของตัวเลยมีอุบาสกบางคนเนี่ยนะครับไปขอถึงพระอรหันต์ทั้งหลายสุดว่าขอให้ท่านเป็นสารณะของกระผมโดยส่วนตัวเนี่ยนะท่านไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีพระตนะตรายเป็นสารณะเถอนะครับอนนี้เรียกว่า ธรรมะโดยตรงนะครับนิปริยายธรรมนะครับนิปริยายคือธรรมะตรงๆนะครับก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปริยายธรรมคือธรรมะโดยอ้อมก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันอธิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสบอกนั่นเองสาวกทั้งหลายจึงทราบว่าบุคคลผู้ปรารถนาวิวัตะจึงให้ทาน นะครับคือโดยอ้อมมันนะเพราะว่าอริยมรรคนี่นะครับเป็นข้อปฏิบัติซึ่งวิวัตชั้นสูงจริงๆเนี่ยนะแต่แม่อริยมรรคจะเกิดขึ้นก็ต้องมีอุปนิสัยอย่างอื่นมารองรับอุปนิสัยอย่างที่ว่าก็คือการให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่ออริยมรรคนะครับการรักษาศีลก็ตั้งความปรารถนาเพื่ออริยมรรคหรือแม้กระทั่งการฟังธรรมการแสดงธรรมการเรียนธรรมการศึกษาธรรมเป็นต้นก็ตั้งจิตน้อมใจเพื่อ อาริยมรร ก, การเจริญสมาบัติแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เพื่อเป็นฐานให้อริยมรรเมื่ออาริยมรรเกิดแล้วก็ได้ย่อมได้อาตตะธรรมโดยลำดับนะครับได้พระนิพพานทำให้แจ้งอมตะมหานิพพานได้อันการที่จะได้บรรลุอย่างที่ว่าก็ต้องอาศัยคำสอนของพระองค์นะครับบอกแนวทางเอาไว้บอกแนวทางเอาไว้ว่าเวลาให้ทานเนี่ยควรตั้งจิตให้ถูกนะควรโน้มจิตไปเพื่อวิวัตต์นะครับ ตัวอย่างของพระองค์ใช่ไหมครับพระองค์ให้ทานก็ตั้งความปารถนาเพื่อสัมโพธิญาณ น, นะครับโดยเฉพาะสัมมาสัมโพธิญาณก็คือให้ทานเพื่อให้บรรลุอริยมรรคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้ทานสมาทานศีลเป็นต้นเราทั้งหลายก็ควรตั้งจิตน้อมใจว่าขอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทร ง, งแสดงไว้ด้วยเถอดนะครับควรตั้งจิตเอาไว้แบบนี้ส่วนอา mith โดยตรงนะครับอา mith โดยตรงอ่ะนะ ก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันอนธะิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายจึงได้จีวร อ, อันประณีตเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องหมอชีวกนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมานะพระองค์จึงอนุญาตให้โยมทั้งหลายถวายพวกจีวรทั้งหลายด้วยคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแตถาคดอนุญาตขึ้นห บ, บดีจีวร ภิกษุรูปใดปรารถนาขอภิกษุรูปนั้นจงเป็นผู้ถือเอาผ้าบังสกุลเป็นวัดเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาขอภิกษุรูปนั้นจงยินดีครึหับดีจีวอนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราตถาคตสรรเสริญความสรนโดษ ด, ด้วยปัจจัยตามมีตามได้นะครับเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงได้บริโภคปัจจัย แม้นอกนี้ดังพันนามาชนี้นะครับเนื่องจากพวก อ, อนุ ญ, ญาตใช่ไหมครับยมทั้งหลายจึงได้ถวายจีวนถวายอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัย4ี่ตรงๆแล้วก็ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เชื่อไหมครับว่าบริโภคปัจจัย4ี่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปเผยแพร่คําสอนของคนอื่นนะครับไปเผยแพร่ของคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เผยแพร่ตามหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นะครับ ตั้งในนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เอาลัทธิอันอื่นมาว่ามาแสดงมาเปิดเผยนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนอนที่อยู่ในตัวของราชสีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่ า, าศาสนาของพระองค์ไม่มีผู้ใดทําลายนะครับแต่ก็ที่จะทําลายก็เนื่องจากสัตยธรรมปฏิรูปนั่นเองแม้ปริยายอิมิตรนะครับอมิตรโดยอ้อมมันนะก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกัน อธิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสบอกนั่นเองสาวกทั้งหลายจึงทราบว่าบุคคลผู้ปรารถนาพบที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติให้ทานสมาทานศีลก็ความกละนะครับทำสมาบัติให้บังเกิดแล้วย่อมได้ปริยายอมิตรคือที่ผสมบัติและมนุษย์สมบัติโดยลำดับ ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงบอกแนวทางว่าเออให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานมีผลอย่างนี้ให้ทานกับคนทุศีลทั้งหลายมีผลอย่างนี้ให้ทานกับผู้มีศีลมีผลอย่างนี้ให้ทานกับนักบวชนอกศาสนามีผลอย่างนี้ให้ทานกับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโซดาปฏิมักสกทาคามีมักเป็นต้นมีผลแบบนี้แบบนี้ให้ทานเป็นสังฆทานมีผลอย่างนั้นให้เสนาสนท า, านมีผลอย่างนี้นะครับจนถึงไตรสารณคมเป็นต้นเนี่ยมีผลแบบนั้นแบบนั้น ถ้าหากว่าพระองค์ไม่สอนใครจักรู้ครับนะถ้าพระองค์ไม่สอนจักรู้หรือว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าจะรู้หรือสมาบัติทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับขณะที่เจริญก็เป็นสุขผลของสมาบัติทั้งหลายก็เป็นสุขเป็นต้นเนี่ยนะครับให้ผลเท่านั้นเท่านั้นถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นปริยายอามิตรเหล่านั้นคือสุขคติพบทั้งหลายนะครับวัตถุกรารมทั้งหลายที่น่าปรารถนาก็นับว่าเป็นของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าพระ อ, องค์ไม่สอนเนี่ยนะครับเราก็คิดดูนะประเทศที่นับถือพุทธศาสนาตื่นเช้ามาก็จะให้ทานกันถ้าหาว่าประเทศที่ไม่ได้นับถือเนี่ยมีการให้ไหมครับไม่มีการให้ไม่มีการบริจาคไม่มีการสร้างเหตุที่เป็นไปเพื่อสุคติพบอะไรเลยนะครับในขณะเดียวกันตื่นเช้ามาก็อาจจะมากไปด้วยจิตที่เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลด้วยซ้าไป เพราะเหตุที่ทั้งนิปริยาตธรรมทั้งปริยาตธรรมนะครับธรรมะทั้งโดยตรงโดยอ้อมอามิตรทั้งโดยตรง โ, โดยตรงโดยอ้อมเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงว่าพระองค์นี้ทรงเป็นเจ้าของในธรรมะนั้นและในธรรมะและอามิตรนั้นเมื่อทรงประกอบสาวกเหล่านั้นไว้เฉพาะในธรรมะและอมิตรที่ประเสริฐกว่าจึงนําประโยชน์สุขมาให้โดยส่วนเดียวพระองค์จึงตรัสว่าเธอทั้งหลาย จงเป็นบุตรจงเป็นโอรสของเราตถาคตอย่างนั้นเถิดนะครับอย่าไปเป็นอมิทายาเลยว่างั้นนะนะพระองค์ก็ปรารถนาให้เรานี้เข้าถึงแก่นแท้จริงคือโลกุตระธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศความเป็นพรามโดยประมาทของพระองค์และความที่พระอริยาสาวกทั้งหลายเป็นบุตรผู้เกิดแต่อกเป็นต้นของพระองค์ ผู้มีการสมาทานวัดอันบริบูรณ์ผู้ทรงบำเพ็ญตะบะทรงอยู่จบพรหมจาร์แล้วโดยชอบทีเดียวทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะอันบริสุทธิ์ดีแล้วทรงถึงฝั่งคือที่สุดแห่งพระเวทไม่มีส่วนเหลือทรงลอยบาปทั้งปวงได้แล้วทรงเป็นผู้ควรแก่การขอตลอดการเป็นนิสทรงถึงความเป็นทักขินายะบุคคลผู้ยอดเยี่ยมในโลกกับเทวโลก ด้วยประการดังพันณนา ม, มาชนี้นะครับบอกว่าสุดยอดของคนทั้งหลายไม่มีใครเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะด้านไหนครับด้านการ บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติโดยส่วนตัวนะครับโดยการจบด้วยวิชาและจรณะเนี่ยนะโดยการเข้าถึงด้วยการรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนอิติปิโสพัควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นมาแล้เนี่ยจะรู้ว่าถ้อยคําเหล่านี้ไม่ได้เกินจริงเลยนะครับเป็นความจริงแท้จริงๆว่าพระองค์นี้มีคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงพระองค์ว่าเป็นเหมือนราชสีนะครับ เนะพระองค์นี่นะบางสูตรก็พระองค์นี่เหมือนราชสีเหมือนบุรุษผู้ชี้ทางเหมือนพระราชาเหมือนนายแพทย์เหมือนพราหมณ์ก็มีนะครับอย่างตัวอย่างที่บอกว่าพระองค์นี่เหมือนราชสีในสูตรว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายคําว่าสีหะนั่นแลเป็นชื่อของพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบางทีพระองค์ก็อุปมาพระองค์เหมือนกับบุรุษผู้ชี้ทางในประโยคว่าดูก่อนติดสะคําว่าบุรุษผู้ฉลาดในทางนั่นแลเป็นชื่อของ ตถาคตหรือบางแห่งก็บอกว่าตถาคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางนะครับยังเหมือนในมรควัชนะหรือบางทีพระองค์บอกว่าพระองค์นี่เหมือนพระราชานะอย่างในเสลสูตรที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนเสลเราตถาคตเป็นพระราชาแต่ว่าเป็นพระธรรม ร, ร, ราชานะเหมือนนหรือบางสูตรพระ อ, องค์ก็บอกว่าพระองค์นี่เหมือนกับนายแพทย์ในประโยคว่าดูก่อนสุนัขขะคําว่านายแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดนั่นแลเป็นชื่อของพระตถาคต หรือบางทีพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี้เป็นเหมือนพรามในสูตรว่าดูก่อรพิสูงหลายคําว่าพรามนั่นแลเป็นชื่อของพระตถาคตเพราะฉะนั้นในสูตรนี้พระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์นี้เป็นเหมือนพรามพรามทั้งหลายย่อมสําคัญพรามกิจของพรามภายนอกจากศาสนานี้ผู้ประกอบด้วยคุณมีทานเป็นต้นเหล่าใดว่าบริบูรณ์เพื่อจะทรงประกาศว่าคุณมีทานเป็นต้นของพระองค์เนี้เลิศ ประเสริฐกว่าคุณเหล่านั้นนะครับคือคุณธรรมของพระ อ, องค์เนี่ยนะมียอดกว่าพราหมณ์ทั้งหลายในนอกาศาสนาเยอะเพราะฉะนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําเริ่มว่าทเวมาณิพิกคเวธานานิเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบอว่ายาคายาคาได้แก่มหายันนะนะมหายันนี้อธิบายว่าคือมหาทานนะคำว่ามหายันคือมหาทานท่านเรียกว่าของบูชานะครับบูชาก็คือมหาทานนั่นแหละครับ บรรดายันทั้งสองอย่างนั้นยันคืออมิตรพึงทราบว่าเหมือนทานของเวลามาพราหมณ์นะในเวลามาสูตรอังคุตรนิกายนวากานิบาศนะครับหรือเหมือนทานของพระเวสสันดร น, นะครับในเวสสันดรชาดกหรือว่าเวสสันตะจารยากระถาเอ่อจริยาปิดกนะนะหรือว่ายันของพระเจ้ามหาวิชิตรราชนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายันคืออมิตรหมายถึงว่ามหาทานหรือว่าการบูชาด้วยอมิตรนะนะส่วนยันคือทํา ก็ทราบได้ในคราวที่ทรงแสดงมหาสมยสูตรมงคลสูตรจุลราหุโลวาทสูตรสมจิตสูตรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ายันคือธรรมเพราะฉะนั้นบรรดายันสองอย่างยันคืออมิตกยันคือธรรมเนยันคือธร ร, ธรรมนี้เลิศใช่ไหมครับการบูชานะยาคาก็คือมหายันหรือไม่ถึงการบูชานะส่วนในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระตถาคตผู้ได้บูชาธรรม นะครับพระพุทธเจ้านี่ผู้ผู้บูชาธรรมนะครับพระองค์นี้เป็นผู้ที่ไม่มีความตรนีผู้มีปกติอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งพบเช่นนั้นนะใครก็อ น, นอบน้อมนะครับของเรายังนอบน้อมเลยกราวบวันล ะ, ละหลายหลายรอบนะครับแสดงว่าพระองค์นี่ดีเนาะในคาถาบทว่าอาสัชชิปแปล ว, ว, ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้แล้วบทว่าอมัชเชรีความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงปราศจากความตรณีเพราะทรงละความตรณีทั้งหมดได้แล้วอย่างเด็ดขาดณนะคนต้นโพนั่นเองนะครับณนะควงมหาโพนะพอพระ อ, องค์ตรัสรั้วเรียมมัชยะเจตสิกละหมดเกลี้ยงนะครับไม่มีตนีอีกแล้วบทว่าสัพพะสัตวตานุกรรมปีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ทรงมีปกติอนุเคราะห์สัร พ, พสัตว์ด้วยพระมหากรุณาเหมือนอนุเคราะห์บุตรสุดที่รักฉะนั้น สมจริงในดังคำที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระมหามุนีทรงมีพระทัยสมาเสมอในนายขมังธนูุในพระเทวทัตในโจรองคุลิมาในช้างธนาบานและในพระราหุนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านีรักเสมอกันหมดนะครับมีใจสมาเสมอด้วยกรุณาเท่ากันนะครับผมงไม่มีลำเอียงใครเลยนะครับ